24. ดูให้ถึงจิตถึงใจวงเล็บเปิด 29. พิพฤศจิกายน2550นาในวงเล็บสองจุดจุดนาที34สวงเล็บปิดสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาพอสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นแล้วให้รู้เท่าทันจิตของเราหลวงพ่อเคยพลาดนะไปหัดจากหลวงปู่ดูลช่วงแรก3ามเดือนโมแต่ดูสภาวะไม่ได้ดูจิตตัวเองแล้วนึกว่าเราดูจิต อย่างเราเห็นกิเลสโผล่ขึ้นมาเราตามดูแล้วมันก็มุดมุดหนีไปหายไปเลยเราก็นึกว่าเราดูจิตความจริงเราส่งจิตไปดูเราไม่ได้ดูจิตหรอกดังนั้นถ้าเราหัดดูจิตนี่เราจะเห็นเลย พอมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นพอจิตไปรู้แล้วเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาให้เรารู้ทันพอเรารู้ทันความยินดียินร้ายแล้วจิตก็จะไม่ปรุงแต่งต่อถ้าเรารู้ไม่ทันความยินดียินร้ายจิตจะปรุงแต่งต่อนี่เรียกว่าเราไม่ได้ดูจิตตัวเองเราโมแต่ดูตัวสภาวะอื่นๆซึ่งมาอย่างให้จิตยินดียินร้ายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นดูให้เข้าถึงจิตถึงใจ